ก็ต้องมันมนัิการว่าเห็นแล้วเสียเขาบอกว่าทางโลกข้อข้อข้อพึงระวังเห็นแล้วเสียทรัพย์ก็เห็นแล้วได้ทรัพย์เนี่ยนะถ้าเห็นแล้วเสียโภกกรทรัพย์สมควรเห็นไหมควรเดินเฉี่ยวบ่อนเป็นต้นไหมที่จะเสียโภกทรัพย์เนี่ยนะก็ไม่สมควรเห็นไร้ล้าอย่างก็ไม่ควรให้มีไม่ควรให้เห็นไม่ควรให้ได้ยินเพราะเป็นการเห็นการได้ยินที่นํามาซึ่งความเสื่อมเป็นการเห็นการได้ยินที่ เรียกว่าอบายมุกนํามาซึ่งความเสื่อมทั้งในปัจจุบันและต่อต่อไปตัวเองก็เสื่อมครอบครัวก็เสื่อมอาชีพการงานเป็นต้นก็เสื่อมสิ่งเหล่านั้นไม่ควรเห็นและควรได้ยินถึงเห็นได้ยินก็ต้องมีสติปัญญาวินิจฉัยใคร่ครวญใส่ใจอย่างละเอียดรอบคอบถี่ถ้วนที่นี้ฉันใดผู้ที่สแสวงหาอริยทรัพย์ผู้ที่รักษาอริยทรัพย์ก็เหมือนการเห็นอย่างไรจึงจะไม่เสียอริยทรัพย์เห็นอย่างไรจะไม่เสียอริยทรัพย์เจ เห็นอย่างไรจ h, ึงจะไม่สูญเสียโพธิปักขยธรรมสาิบเจ็ดเห็นอย่างไรจึงไม่สูญเสียสติปฐานสัมมาปธานอิธิบาทอินสีพละพุทธชงแลองมักเห็นอย่างไรจึงจะไม่สูญเสียเป็นอัปมงคลอย่างไรชื่อว่าเป็นการเห็นที่ไม่ส่องเสพผลพานการเห็นอย่างไรที่ทำให้ห่างบันดิตขึ้นออกไปมันก็จำแนกแยกแยะเห็นอย่างไรที่ทาลายสันเลกธรรมเห็นอย่างไรเนี่ยนะ ที่จะรักษาสันเหลกธรรมก็ามาจำเนแกยแกยกแยะซึ่งเราเองจะต้องรู้จักว่าอะไรเป็นอริยทรัพย์อะไรเป็นสิกขาของเราอะไรเป็นข้อปฏิบัติของเราและการเห็นเหล่าใดที่มาทำลายข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อบรรลุมักผลการเห็นการได้ยินอะไรจึงส่งเสริมข้อปฏิบัติที่ทำให้บรรลุมักผลสรุปว่าเห็นอย่างไรทำลายศีลเห็นอย่างไร เสริมศีลรักษาศีลต่อไปก็จํำเนกแยกแยะเขาเลยเรียกว่าสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องทําให้อินทรีย์สังวรบริบูรณ์นะนั้นคนที่ไม่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะไม่มีสติมีปัญญาพอยากที่จะรักษาทวารตามไม่ให้บาปไหลเข้ามาไม่มีสติสัมปชัญญะหรือสติปัญญาเพียงพอก็ยากที่จะรักษาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายแล้วก็ทวารใจไม่ให้เปื้อนบาป แต่เราต้องพยายามมนานสิการว่าทวารทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นทวารที่มาแห่งบาปมันเหมือนกับว่าเป็นทางแห่งอะไรถ้าโจรมันจะเข้ามาันก็เข้าทวารเหล่านี้นี่แหละเข้าทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจอุตสาหะอริยทรัพย์มาขนาดนี้แล้วแม้จะมาทําลายกันง่ายๆได้อย่างนี้เหรอนี่นะก็ต้องระวังใช่ไหมหรือแบบทวารเหล่านี้แหละมันเป็นชนวนจุดไฟเออเนี่ยนะอุตสาหะอริยทรัพย์มาขนาดนี้แล้วเนี่ยยังเอาจุดไฟ เผาทำลายอริยทรัพย์ของตนอีกหรือมันก็ต้องหมั่นมนสัสการอาวัชนะหมั่นใส่ใจเนี่ยนะ ว่าโอ้ยเหน็ดเหนื่ยนะอยกว่าจะสแสวงหาอริยทรัพย์นี้มาได้ด้วยความเหน็ดเหนื่อยกว่าจะได้ศรัทธาในพระรัตนตรยัยกว่าจะมีศีลกว่าจะมีฮิริโอตปะปาคกว่าจะมีสุตะได้ยินได้ฟังศึกษาคําสอนกว่าจะมีจาระฆะสละบาปขนาดนี้กว่าจะมีสติมีปัญญาเพียงนี้นี่เป็นการรับเพื่อทําลายอริยทรัพย์เหล่านี้หรือกว่าจะศึกษาสติประธานสมมติประธานอิธิบาทเป็นต้นเข้าใจเนี่ยนะนี่จะมาเป็นการเห็นการได้ยินเพื่อทําลาย โพธิปักจะธรรมเหล่านี้หรือกว่าจะเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นต้นเข้าใจขนาดนี้การเห็นการได้ยินเหล่านี้มาเพื่อทําลาย อ, อนุสติทั้งหลายเหล่านี้ของเราหรือมันก็ต้องหมั่นสายใจสอบสวนเทียบเคียงอนณฐานตัวเองบ่อยสมควรเห็นหรือไม่สมควรเห็ น, หหนถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะชมตัวเองหรือ ตำหนิตัวเองอะไรควรดูอะไรไม่ควรดูเป็นต้นการซักฟอกตัวเองแบบนี้บ่อยๆก็ทําให้เรียกว่าคนชําระแผลตาหูจมูกลิ้นกายใจพระพุทธเจ้าเปรียบดุดแผลเพราะฉะนั้นปัญญานี่แหละเป็นเครื่องชําระทําความสะอาดทวารตาให้นะบริสุทธิ์จากบาปไม่เปื้อนด้วยราคะโทสะและโมห oh ะปัญญานี่แหละเป็นตัวชําระหูจมูกลิ้นชําระร่างกายและจิตใจไม่ให้เปื้อนด้วย บาปและอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะพันธุ์อันนี้ต้องมีโยนิโสมนสิการหมั่นใส่ใจไม่เผลอแล้วก็ไม่ประมาทเนี่ยนะไม่เผลอเรอให้ให้เห็นความสําคัญของทวารตาหูจมูกลิ่นกาใจจะไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตนรกก็ตานี่แหละหูตาที่เห็นหูที่ฟังจมูกที่รู้กลิ่นลิ้นที่รู้รัรับกระทบสัมผัสแล้ก็โดยที่สุดกกายใจเอ้ยเนี่ยนะจะตกนรกเป็นต้นก็ใจนี่แหลนะ จะทำบาปให้ตัวเองไปถึงไหนใจนเนี่ยนะจะพาตกนรกอีกหรือไงบมกแค่นี้ไม่พออีกหรือเนี่ยนะแค่นี้ก็ทุกพอแล้วก็ถามคุยกับตัวเองบ้างนะที่สอนคนอื่นเนี่ยก็พูดย า, า, ยาวๆเนี่ยที่สอนตัวเองมัางก็ทาเป็นดุด่าดขี้แยโหูร้ายเยอะเกิน น, นะใจดําจังเลยเนี่ยนะมันก็คุยกับตัวเองบ้างสิ น, นะแนะนําตัวเองนั่งคุยกันอยู่เที่ยงคืนนะโจนอ่ะตรพระองค์บอกว่า ในโลกเนี้ไม่มีใครเตือนตนเท่ากับตนเ ต, นตนือนตนอะนะไม่มีใครจะแนะนําเราดีเท่ากับเราเตือนเราไม่มีใครจะสอนเราดีเท่ากับเราสอนเราเพราะคนอื่นสอนถ้าเราทําเป็นไม่สนใจก็จบไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้าใจสอนใจเนี่ยมันจะไม่สนใจได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะมันจะต้องบอกบอกว่าใจเอนเป็นอย่างไงนะคุยกันมาที่ดีๆเนึ่งนะ โดยเฉพาะทวารใจเนี่ยนะวันไหนนอนไม่หลับคิดมากเนี่ยนะคิดมากไม่ได้คิดอริยสัจเยอะนะอะไรก็เรื่องนิดนี่เรื่องนั้นหน่อยเป็นต้นว่าเออคิดทําไมก็ถามคิดแล้วมันมีประโยชน์ไหมเนี่ยนะถามอีกหนึ่งคิดทําไมสองคิดแล้วมีประโยชน์ไหมคิดอย่างนี้เนี่ยนะเราจะมีศรัทธาเพิ่มไหมคิดอย่างนี้ศีลจะเพิ่มไหมคิดอย่างนี้ฮิริโอตปะจะเพิ่มพูนไหมคิดอย่างนี้เนี่ยนะพุทธานุสติเยี่ยมมั่นคงเลย คิดอย่างนี้เกื้อกูลต่อการเจริญพุทธานุสติไหมธรรมานุสติไหมคิดอย่างนี้เป็นทานศีลภาวนาไหมคิดอย่างนี้เป็นโพธิปักขยธรรมไหมคิดอย่างนี้เป็นมงคลข้อไหนคิดอย่างนี้มันเป็นสรนเลกธรรมข้อไหนคิดอย่างนี้ประโยชน์ปัจจุบันได้ไหมประโยชน์ภายภาคหน้าได้ไหมคิดอย่างนี้ใกล้สวรรค์ใกล้นิพานขึ้นไหมเป็นต้นนี่ย น, นะก็ถามดูอยู่นั่นแหละพยายามที่จะหมั่นซักฟอกกายวาจาและ ใจให้มากที่สุดเนี่ยนะถ้าเราไม่พูดคุยกับใจของเราเองไม่แนะนำใจของเราเองไม่ตักเตือนใจของเราเองและใครจะมาแนะนำใจเรา <c oughs> แล้วใครจะมาตักเตือนใจเราแล้วใครจะมาคอยห้ามปรามใจของเรามันเราก็ต้องพยายามที่จะคอยห้ามห้ามบาปห้ามบาปที่อยู่ในใจของเราว่าใจเอ้ยเนี่ยมันบาปพอแล้วนะเนี่ยชีวิตที่ผ่านมามันก็บาปอยู่แล้วจมอยู่ในวัตฏทุกข์อยู่ปัจจุบันเนี่ยกเพราะ ปล่อยใจให้ไหลไปกับบาปปล่อยใจให้เพื่อนอยู่ในบาปแค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วสมควรแล้วที่จะปฏิบัติอย่างไรที่จะพ้นจากบาปพ้นจากทุกเนี่ยนะการแนะนำใจการตักเตือนใจนี่จะทำให้อินรีสังวรเนี่ยนะมันคำนึงถึงว่าประโยชน์ของการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นเห็นอะไรมีประโยชน์และก็ไม่มีประโยชน์อะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดเป็นต้นสติสัมปชัญญะหรือ ความเป็นพหูสูตรเนี่ยนะจะช่วยเหลือเราได้เยอะเนี่ยนะจะช่วยอะไรสมควรไม่สมควรอย่าลืมว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือแผลจะติดเชื้อก็ได้จะหายจากโรคก็ก็อยู่ตรงนั้นแหละก็อยู่ที่ว่าบริโภคเป็นไม่ล่าเนี่ยนะมีตาควรดูอะไรมีหูควรฟังอะไรมีจมูกควรรู้กลิ่นอะไรมีลิ้นควรรับรู้รสอะไรมีใจแล้วควรคิดอะไรเนี่ยนะ ข้อมูลก็มีนับปันนีแล้วเรียนมาขนาดนี้แล้วคิดอย่างนี้ทำไมเนี่ยนะคิดบอกเอ๊ะมันก็เอเรียนมาตั้งเยอะฟังมาตั้งมากมาใ่ใจมันพาคิดไปเรื่อยบอกไม่เนะมันก็บอกว่าสิ่งใดที่คุณเคยคิดไว้อย่าอยาคิดนะว่าสิ่งนั้นจะหายไปง่ายๆเขาบอกว่าอะไรนะกรบเกลื่อนข้อมูลในโลกนี้อาจจะทำได้ใช่ไหมเผาทาลายเอกสารซะจบเอกสารหลายๆตัวนะเผาซะทาลายซะทาลายหลักฐานซะ ใจเนี่ยบอกอย่าไปคิดมันสิเอ้ยนั่นแหละดีนักแลเนี่ยนะเดี๋ยวก็มาแล้วนะคิดล ะ, ดละก็อย่างที่เล่าว่าคนอายุมากเนี่ยจะคิดประวัติของตัวเองได้เยอะมากเนยนะมันควรจะลืมไหมไม่เนี่ยนะไม่เลยบางทีมันก็มาเพราะอะไรจิตอาวรณ์มาตอนฝันบ้างมาตอนตื่นบ้างเนี่ยนะมาเดี๋ยวคนอื่นก็พูดเฉียวหูเฉี่ยวซ้ายเฉียวขวาก็แแวะไปนึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นจนได้ พันอยาคิดว่าใจที่แหมมันเกิดดับสืบเนื่องกันไปเหมือนหมดสภาพบอกไม่อะไรเท่าจะแรงเท่ากับอุปนิสัยที่เราสั่งสมไว้แล้วเนี่ยนะสิ่งที่เราเคยคิดในอดีตมันคืออุปนิสัยที่เราทำเอาไว้แล้วสั่งสมเอาไว้แล้วอุปนิสัยในอดีตอยาคิดนะว่าเขาจะลืมเราเพราะฉะนั้นอุปนิสัยเหล่านั้นเนี่ยจะตามมากระตุ้นเรื่อยๆเนี่ยนะตามมากระตุ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องหมั่นสร้าง อุปนิสัยใหม่ๆขึ้นมาเพราะอย่าไปส่งเสริมอุปนิสัยเก่าๆถ้าส่งเสริมอุปนิสัยเก่าๆมันก็ชนานาญยิ่งขึ้นเนี่ยนะมันก็จะชํานานในอุปนิสัยที่เป็นบาปก็มาสร้างอัธยาศัยสร้างอุปนิสัยที่ดีให้แก่ตัวเองถึงสร้างได้ทีละนิดทีละหน่อยก็มีอุปการะอัธยาศัยในบาปเนี่ยนะมันจะมีทั้งวันมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อัธยาศัยในบุญ ถึงจะเล็กถึงจะน้อยแต่ก็มีค่าอัธยาศัยในบาปเนี่ยนะมันก็เหมือนกับ น, น้ําทะเลนั่นแหละมันดื่มไม่ได้หรอกมันจะมากเยอขนาดไหนมันก็ดื่มกินไม่ได้เนี่ยนะถ้าไม่มีเครื่องกลั่นกรองออกมาสะก่อนเนี่ยนะชั้นใดอัธยาศัยบาปมันจะบาปใหญ่บาปโตบาปเล็กบาปน้อยบาปบ่อยมันไม่ได้มีคุณค่าจริงต่อชีวิตในอนาคตมันมีแต่พิษสองมีแต่พิษร้ายมีแต่เป็นสิ่งที่ ทำลายยาพิษเนี่ยนะมันไม่ได้มีอุปการะต่อร่างกายฉันใดจิตใจที่เป็นพิษจิตใจที่เป็นบาปไม่เป็นอุปการะแก่เราในปัจจุบันและอนาคตต่อตอไปเพราะอย่าต่ออัธยาศัยอันนั้นเนี่ยนะอยากให้เราว่าถ้าไฟอันนั้นลุกไหมขึ้นมาทํางไงตัดจัดฟืนซะเนีย่ยนะถ้าแบบฆ่าศึกที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามแล้วก็แบบขูน้ําแบบโบราณที่มันทอดด้วยกันด้วยสะพานเนี่ยทำยงไงชักสะพานซะ ก็ ว, ว่าตัดไฟซะสับคัดเอาซะอะไรซะเนี่ยนะยายาส่งเสริมอย่าอย่าเพาะเชื้อเพราะเชื้อเหล่านั้นเน้นำมาเส่งความเดือดร้อนในปัจจุบันและต่อต่ อ, ตอไปคนที่จะรักษาอินทรีย์สังวรเนี่ยะจะต้องรู้โทษที่มาจากความไม่สำรวมอินทรีย์ถ้าสำรวมอินทรีย์และจะมีผลมีอนิสงส์มีกำไรเป็นบุญเป็นกุศล เป็นอัธยาศัยที่ดีงามเป็นบุญเป็นวาสนาต่อไปอย่างไรคนที่มีความเข้าใจอย่างนั้นจึงจะรักษาอินทรีย์สังวรต่อไปได้ น, นะนคนที่จะรักษาอินทรีย์สังวรเนี่ยอย่าลืมว่าสิ่งที่เราเห็นเรากำลังเพาะนิสัยหรือสิ่งนั้นเอาไว้แล้วนะทั้นถ้าเราเห็นสิ่งที่เกื้อกูลต่อบาปเราก็สะสมอัธยาศัยบาปให้แก่ตัวเองถ้าเราฟังในสิ่งที่ เ, เกื้อกูลต่อบาป ที่เรียกว่าเกื้อกูลแปลว่าเป็นปัจจัยแก่บาปเสียงใดที่ที่ฟังแล้วเป็นปัจจัยต่อบาปเรากำลังสะสมบาปให้แก่ตัวเองสิ่งใดที่รู้กลิ่นแล้วสะสมบาปเนี่ยนะอันนี้เรากำลังเพาะอัธยาศัยบาปให้แก่ตัวเองทวารลิ้นทวารกายก็เหมือนกันคิดสิ่งใดที่ใจเปื้อนบาปเรากำลังสะสมบาปให้แก่ตัวเองแล้วนะแล้วแล้วก็บาปเหล่านี้เนี่ยนะ ที่เป็นอุปนิสัยที่เป็นอัธยาศัยเนี่ยมันมีเรี่ยวมีแรงมีพละมีกําลังคอยบั่นทอนคอยตัดคอยรอนเนี่ยนะตัดรอนอะไรตัดรอนบุญมันบาปมันก็โตขึ้นบุญมันก็ลดลงลดลงลดลงก็กลายเป็นคนใจเล็กใจน้อยเนี่ยนะใจที่ที่เป็นบาปเนี่ยใจที่เป็นบาปใจเล็กใจน้อยเนี่ยในที่สุดก็กลายเป็นใจแมลงวันเนี่ยนะกลายเป็นใจยุงใจเหลือบใจมดใจแมลงใจปลวกเนี่ยนะ เป็นใจเนี่ยสัตว์ทั้งหลายที่แต่อบายทั้งหลายเพราะนั้นจะตกนรกก็อยู่ที่ใจเนี่ยนะใจนี่แหละมันพาไปเนี่ยคุกตารางเนี่ยนะถ้าใจเราไม่คิดชั่วนะไม่คิดจะทำชั่วเนี่ยคุกตารางไม่ได้ขังเรารอกนรกเปรตอสุรกายก็เหมือนกันถ้าเราไม่คิดจะทำบาปไม่คิดจะล่วงบาปอ่าเราก็ไม่ไปสู่อบายทุกติวินิบาตนรกไม่ได้ไปเกิดเป็นมดเป็นแมลงเป็นปลวกเป็นเดรชานเป็นนอนเป็นหมูหมากาไก่เป็นต้น เพราะอะไรเพราะมีการฝึกใจมีการสำรวมใจมีการสร้างอัธยาศัยใจที่เป็นบุญให้แก่ตัวเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกใจที่เป็นอย่าดูหมิ่นใจที่เป็นบาปอย่าดูแคลนใจที่เป็นบุญรั้นก็ต้องคอยระวังบาปที่สุดเท่าที่จะระวังได้ส่งเสริมอัธยาศัยที่เป็นบุญก็ส่งเสริมที่สุดเท่าที่จะทำได้ บางคนก็บอกโอ๊ยทาไมเราอัธยาศัยทั้งชั่วช้าเลวร้ายเหลือเกินคนอื่นเขามีแต่คนดีหมดเลยถึงเขาดีคนนิ้ผ่านเป็นเรื่องเฉพาะตัวของเขาภาษารีบทดีก็ดีเฉพาะภาษารีบทพระโมกขาลาน่าก็ดีเฉพาะท่านนะนะคนอื่นเขาจะเป็นมหาเศรษฐีเท่าไหร่ก็ช่างเถอะยาจกสําหรับเช่นเรามันก็ยาจกต่อไปแล้วแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้อย่างไรเนี่ยนะแก้ไขสถานการณ์พัฒนาจากใจที่เลวๆให้เป็นใจที่ ดีเนี่ยนะบางทางก็คนที่เป็นคนดีเขาปรินิพานเฉพาะตัวเขาบรรลุมรรคผลนิพานเฉพาะตัวแต่เราเนี่ยมันจะตกนรกก็ตกเฉพาะตัวเหมือนกันนะมันจะขึ้นสวรรค์ก็ขึ้นเฉพาะตัวแล้วทํายังไงอัธยาศัยที่ดีๆให้แก่ตัวต่อไปเนี่ยนะเหมือนกับว่ารถคนอื่นมันจะมีเต็มถนนก็ช่างเถอะมันก็ไม่ใช่รถเราบ้านคนอื่นมันจะมีเป็นร้อยหลังก็ไม่ใช่บ้านเราฉันใดบุญคนอื่นจะมากมายปานใดก็ไม่ใช่บุญ ของเราและบุญของเราอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจเราทำไมไม่สะสมใจให้เป็นบุญที่สุดเท่าที่จะทำได้เพงจะเกิดได้ขนาดน้อยแต่ก็เป็นประโยชน์สำหรับเราเนี่ยนะ